นำเสนอหรือว่าเผยแผ่ไว้ให้กับอนุชนคนรุ่นหลังวันนี้ยังมีหลวงพ่อเขียนนะมเมื่อเช้าเราได้ฟังเทศนะตั้งแต่ลูกศิษย์หนะลวงพ่อเทียนที่สุดของการแสวงหาครูบาอาจารย์ รกจ a j ย์ท่านคือพระพุทธเจ้ากับหลวงปู่เทียนคือสุดแล้วเราก็มาฝากตัวเป็นสิทธิ์ลูกสิทธิ์สิทธิานุสิทธิ์เดี๋ยวพวกนี้แหละจะมากันทอดกระถิ่นนะที่ต่างๆโรงยาบาลมังกลมศึกษาไปบัตธรรม สารททธินะ์มากันในอนาคตต่อไปก็ไม่แน่เองแมชีวาศกวาสิกาจะอยู่แด น, นนี้แหละปนะระสงค์ก็จะอยู่กันในเกศ ส, สังกวาสนะบนเขานะบันนี้ไปชี้ที่กันจะทำพระพุทธรูปกันที่นั่นสามแยกเลยไปชี้ออกกลางสามแยกเลย ลมันตรงนั้นแหละทางเดี๋ยวทำบุญใหม่มันที่ตอนออกก็ ด, ดีสง่าดีหนุนหนูได้ขึ้นไปยังลกบนหลังข่าได้ไปยังมันมีทางอยู่มีทางสามแป้งอยู่ซ้ายมือกูสิบสตรงหน้าทางทิศตะวันออกกนันกูสขวามือทะลุมาออก จะมีทางเข้าทางป่าโยคาอีกทางหนึ่งมีป่าโยคาลิฟตัดตรงนั้นจะมีบริเวณดงไผ่ดงไผ่จันตุมปลูกไผ่ข้าหลามไวนะ้สองข้างทางไดยปลาซีกซ้ายเนี่ยเห็นเลยเยอะมากทางเส้นนั้นกําลังโตต่อไปก็มีไผ่ข้าหลามโลยมาอีกจะออกปากทาง มีไข่ไผ่อะไรเขาเรียกไผ่อะไรเดีไม่รอดม่ถูกหมอคนเก็บไปกินมันเลยกอไม่งามเหมือนกับที่กุฏแม่ไข่เออะไรแม่ไก่ตั้งไข่กุฏตั้งไข่กุติลูกคุณโหนกเก่าหรือว่ากุณหลวมพ่อมเขียนเก่าที่เป็นสนักงานเก็บสื่ออยู่ตอนเนี้ยอันนี้ก่อแตกใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ข้างบนวันนี้ไปก็ไม่มี ก่ไม่ใหญ่ขึ้นหนอ่อถูกหักกินหมดเลยตรงนั้นจนะจะทำเป็นที่นะของฝ่ายมห ah าญาณอยู่ฝ่ายมห ah าญาณก็คือพวกจอาจีนทั้งหลายหรือว่าต่างประเทศไต้หวันนลก็ตามพิ่สุ น, นีพวกมห ah าญาณเป็นความหวังเป็นความฝันของพ่อเขียนเป็นความคิดของพ่อ ไม่ต้องเข้าประตูหน้านี้ไปเข้าประตูสองเลยตรงนั้นสนุกแหละต่อไปทำเป็นอาคารสองชั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะในความคิดมันมีงานแต่ว่าปฏิบัติการมันจะปเป็นจริงเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็มานั้นหนะลวงพ่อกรมก็อยู่ดูนะครับ วันนี้ก็ขึ้นไปด้วยกันที่รให้ฟังก็ก็เป็นการงานที่วันนี้ทำกันเด็กๆวาดภาพนะแพร์ก็ไปเตรียมเรื่องกระถินหรือว่าญาติโยมนะแม่ทองคําก็ไปห่อข้าวต้มมัดข้าวต้มหนึ่งข้ต้มชนะ่วยกันต่างคนต่างมีงาน สุด ท, ที่สัญที่สุดก็คือทําอะไรทําอะไรก็ตามก็คือกรรมฐานทั้งหมดห่อกระวต้มกรรมฐา น, นไปชี้ทีก่กรรมฐา น, นบางคนอยู่ลานหินโคมัในรูปแบบกรรมฐา น, นก็มีอยูย่กายเคลื่อนไหวใจรู้ใจที่มันรู้กคือตัวสตินั่นแหละ ระลึกรู้ตัวปัญญาสัมัญญะเบื้องต้นขนาดเดียวขนาดเดียวนะมันยังไม่ประมวลนะทุกสิ่งทุกอย่างทุกอารมณ์แล้วก็เกิดการยอมรับปล่อยวางอันนี้ก็คือต่ อ, อาศายชั่วโมงบินความต่อเนื่องนะทำไปเรื่อยจนรู้ทันความคิดได้ไวขึ้นว่องไวขึ้นนะหรือว่าเห็นความคิดนะตัวเห็นความคิดนะ่แหละตรงนี้ละมันมันคมนะ ตาในมันคมที่สำคัญที่คือระหว่างที่มันรู้กับหลองหลงกับรู้นะตรงนี้มันคมมันก็จะทันในทุกสถานการณ์ทํางานด้วยศีลสมาธิปัญญาปัญญาคือรู้ทันทั้งภายนอกและภายในภายนอกรู้สมมตริรู้บัญญัติจีบมาใช้ได้อย่างถูกต้องภายในใจเราก็ไม่ ไม่เสียสมดุลไม่ผิดปกติผิดปกติรู้กลับมาได้ไวนะเพราะว่าคนมันเคยชํานานมันไม่ทุกนานหรอกรู้ว่าไฟร้อนก็จะไปจับมันก็คนกลับมาหมดนั่นแหละนะจนท้ายสุดก็คือทำอะไรก็เพื่อนิพานนะนะนะไม่มีนอกเหนือจากตัวนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างคิดพูดทำมุ่งมุ่งสูง่นิพาน นิพพานในที่นี้คือความเป็นปกติของจิตนะที่พูดเกินนํามาขนาดนี้ว่าจะหมายถึงวาจะเทศนะพูดข้าเวลาไปหน่อยหนึ่งเราจะเหลือส่วนหนึ่งไว้กาบอารัตนานิมนต์หลวงยายตุ้มอีกวันนึงวันนี้เมื่อวานส่งไปให้ยายโนดวันนี้้องยายตุ้มแล้วล่ะวันนี้กาบนิมนต์ก้น เขากาสจากหลวงพ่อกลมก็จากอาจารย์ยุกิอาจารย์ธงศิลอาจารย์โน้ตแล้วก็เพื่อนสาธันมิกก็เมชีพวกเราทั้งหลายแหลก็อยู่ในอารามกันด้วยกันก็แข่งขันกันวันนี้ ่าเป็นวันที่เราเตรียมเรื่องของงานในวันข้างหน้าจะเป็นวันพรุ่งนี้จะเป็นวันอื่นๆ อ, อะไรไงต่างๆนาน า, นาแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราเตรียมพร้อมเตรียมตัวสำหรับเรียกว่าเตรียมตัวสาหรับสิ่งที่จะมาข้างหน้าเนะาะ <c oughs> ตรงนี้เนี่ย <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่ <c oughs> เตรียมกาย <c oughs> เตรียมใจเรา เต็มกายเต็มใจเพื่อให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดใช้กายใช้ใจเราก่อประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ที่สุดไม่ให้เกิดทุกข์เกิดโทษกับตัวเราเองไม่ให้เกิดทุกข์เกิดโทษกับผู้อื่นตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่หลวงพ่อเขียนก็ได้ได้นำเราเนาะได้นำเราทุกวันทุกวันทุกมันตรงนี้ก็ เมื่อเช้าหลวงพ่อขมเขียนก็ได้บอกเอาไว้บอกว่าจริงๆก็ตรงนี้ก็พุทธเจ้าก็ชี้นําเนาะชี้นำเอาไว้แต่ว่าการชี้ตรงนี้เนี่ยพวกเราเองเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ดูเอาเองพุทเจ้าชี้แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ดูตามเราก็ไม่เห็นแต่มาเครื่องมือสําหรับการดูตรงนี้ก็คือเป็นเครื่องมือที่เรียกว่าตัวสติไม่ใช่ตาที่เราลืมตาดูโลกนี้ ตรงนั้นลืมตาดูโลกแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราจะมีตาอีกตาหนึ่งที่เรียกว่าตาพิเศษที่เราเองเราก็ติดโตมาตั้งแต่เล็กแต่ว่าความที่เราเองเราต้องฝึกใช้เพราะเนื่องจากว่าตาตัวนี้เป็นตาที่ไม่ได้ใช้ตามสัญชตาตญาณแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการใช้อย่างที่เราตั้งใจเนาะต้องฝึกกันเพราะนั่นนั้นคือ การเจริญสติตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่เราเองเราได้หัดใช้หัดใช้ตาตัวนี้ไม่เราไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ใช้มาตั้งแต่เกิดเนี่ยเราก็มีความเคยชินอีกหลายอย่างที่ติดตัวเรามาแต่ละคนแต่ละคนก็มีเรื่องราวความเคยชินที่ติดมาความเคยชินพวกนี้ก็จะเป็นความเคยชินที่พวกเราเองก็อายุมากขึ้นอายุมากขึ้นเนี่ยเราก็จะพบว่า ทุกโทษที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยก็มากขึ้นทุกทีมากขึ้นทุกทีตรงนี้เองเนี่ยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยน่าจะสรุปได้ว่าความเคยชินในเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเอียงไปสู่สิ่งที่ทําให้เราเกิดทุกข์เกิดโทษเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยความเคยชินใหม่ที่เราจะสร้างขึ้นตรงเนี้ยก็จะเป็นความเคยชินที่เป็นการชี้นำเนาะจากที่พระเจ้าเนี่ยได้พบเห็น มาก็ได้ถ่ายทอดมาเกือบ 2,600 ปีตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่คำถ่ายทอดตรงนี้ก็ยังตกทอดมาอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างที่พวกเราลุ่นหลังๆก็มั่นใจที่มั่นใจเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่บอกให้พวกเราเนี่ยลองทำดูลองทาดูเพราะฉะนั้นคือเมื่อเราลองทำดูเนี่ย เราก็จะเห็นผลเนาะอย่างวันนี้พวกเด็กๆก็ลองทำสิ่งหนึ่งที่อาจจะไม่เคยทำกันมาเลยคิดว่าคงจะไม่ได้ทำกันมาเลยก็คือการเขียนป้ายผ้าเนาะมีงานนันนี้แบบว่าถูกมอบหมายให้ทำทันทีปรากฏว่าก็มีป้ายผ้ารอทำอยู่ประมาณ 16-17 แผ่น ก็แบ่งกลุ่มกัน6 ก, กลุ่มปรากฏว่าแผ่นแรกสุดเนี่ยที่ทำกันก็เป็นแผ่นที่คงทุกคนก็คงแบบว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้อย่างใจเอาเลยทีเดียวเนาะแต่ปรากฏว่าพอแผ่นที่สองอก็ปรากฏว่าพัฒนาการก็ดีขึ้นแล้วก็มีเด็กบางคนที่มีโอกาสที่จะ ทำมากกว่า2แผ่นปรากฏว่าก็ตรงนั้นฝีมือก็พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นเป็นลาดับเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้เนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่เราเริ่มต้นทำเนี่ยก่อนหน้านั้นที่จะเริ่มต้นทำํำเราก็จะมจะคิดไปก่อนเนาะคิดมันจะเป็นไปได้ยังไงหรือบางทีก็อาจจะคิดฝันว่ามันจะสวยหรูแค่ไหนอะไรเงี้ยก็ตามแต่พัฒ้าสุดแล้วเนี่ยพอเราลงมือทําเนี่ยความจริงก็ปรากฏขึ้นมา ความคิดที่เรามักจะคิดไปก่อนล่วงหน้าเนี่ยมันก็ไม่ตรงตามความเป็นจริงสักทีซึ่งตรงนี้เนี่ยมันพวกเราถ้าหากว่าพวกเราได้สรุปบทเรียนตรงนี้เนาะแล้วก็ได้ลองสังเกตความคิดของพวกเราให้วความคิดที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ทำให้เรานึกท้อถอยทุกทีเนาะที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นก็คือกลัวกลัวว่าจะทำไม่ได้กลัวว่าจะทาไม่ได้ เมื่องกลัวว่าจะทไม่ได้เนี่ยตรงนั้นเนี่ยเราก็ทําตามความกลัวเนาะอย่างเงี้ยที่หลวงพ่อเขียนบอกว่าเราเชื่อความคิดก็ทําตามความคิดกลัวก็ทําตามความกลัวแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ความกลัวก็นําเราเพราความกลัวนําเราผลจะออกมาดีไหมก็ออกมาไม่ดีหรือความกลัวกับความระมัดระวังหรือความที่เราตั้งอกตั้งใจทําถึงเมืม่อว่า จะเป็นครั้งแรกก็ตามนะถ้าหากว่าเราตั้งใจทำเนี่ยสิ่งที่ทําออกมาจากผลของความตั้งใจตรงนั้นเนี่ยเราจะเก็บเล็กผสมน้อยถึงประสบการณ์ต่างๆนานาเหล่านี้ได้แต่ว่าทํานองเดียวกันในวันนี้เนาะตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยก็เห็นว่าพัฒนาการของนักเรียน น, น้อยๆทั้งหลายแหล่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นพัฒนาการที่ดีมากๆเลยเพราะฉะ น, นั้นนะั่นคือตรงนี้เนาะก็ให้พวกเราเนี่ยมั่นใจว่า สิ่งที่พวกเราเริ่มทำเนี่ยมันจะมีพัฒนาการกับมันจากความเป็นจริงพ้ลงมือทำเนี่ยรับรองได้เลยว่าครั้งต่อไปครั้งต่อไปเนี่ยจะดีขึ้นแต่ทํานองเดียวกันถ้าเกิดว่าวรลง ม, มือทำตามก็ เ, เรียกว่าทำตามใจอยากเนาะอยากได้อยากให้เสร็จเร็วๆหรือเร่งแตา่น า, นานาเหล่านี้เนี่ยผลก็ออกมาตามความอยากเหมือนกันนั่นก็คือผลก็เป็นทุกข์เป็นโทษเนาะอย่างนั้น เพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้เนี่ยประสบการณ์ในแต่ละวันในแต่ละวันของเราเนี่ยถ้าหากว่าเราอยู่กรรมฐานอยู่ความตั้งใจอยู่การที่เราลองดู ก, กายดูใจของเราใอ้ความเคะเขินต่างๆนะในใจเราเนี่ยมันทําให้กํากับให้กายเราออกมาเป็นยังไงสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยกายกับใจกายกับใจก็สัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้เนี่ยเครื่องมือที่เราจะใช้ดูเนี่ย ตัวสติเนี่ยตัวเนี้ยก็มีโอกาสที่เราจะได้ดูผลงานอาการของกายของใจอาการของกายของใจเนี่ยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าหากว่าพวกเรานาะได้เหมือนกับได้ระลึกถึงคําเทศของหลวงพ่อเขียนที่ปากเอาไว้ประจําวันตั้งแต่ตอนเช้าเนาะหลวงพ่อก็ตื่นขึ้นมาเทศถึงพวกเราเสียงจะมีบ้างเสียงจะไม่มีบ้าง ความดันวันนี้สูงบ้างความดันวันนี้ไม่สูงบ้างอย่างต่างนานาเหล่านี้เนี่ยหลวงพ่อก็ภากายมาเนาะมาเทศนะด้วยความกระตือรือร้นที่สุดนะหลวงพ่อก็บอกว่าพวกเราอยากฟังรหรือเปล่าก็ไม่รู้ละแต่หลวงพ่ออยากเทศให้ฟังเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยนะก็อยากให้พวกเราเนี่ยเนาะได้อาศัยโอกาสทั้งวันทั้งวันทั้งวั น, ท, ว น, ท, วนที่เราได้ทํากิจต่างๆตร ง, ง, งนี้ละเนาะเป็นสิ่งที่เราได้สังเกต อาการของกายอาการของใจซึ่งตรงนี้เนาจะเป็นสิ่งที่บอกว่าเราเนี่ยได้ทำตามที่พระเจ้าชี้เนาะพระเจ้าชี้ทางแล้วเราเนเหลียวมองตามนั้นเนาะเพราะฉะนั้นนั่นคือถ้าหากว่าเรามั่นใจในสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยได้ทำให้เป็นจริงขึ้นมาแล้วก็สิ่งตรงนี้เนี่ยถ่ายทอดต่อมา 2,600 ปีเนี่ยพวกเราทำตามมั่นใจว่า การที่ทุกจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงตามลำดับจกกนกระทั่งถึงไม่มีทุกในที่สุดอย่างที่หลวงพ่มเขียนก็ได้ทำให้เราดูครูบาอาจารย์ต่างๆนานาก็ทำให้เราดูตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่อยู่ในความคิดแต่จะเป็นสิ่งที่ออกมาเป็นความเป็นจริงแล้วก็กำกับอยู่กับตัวเราทุกๆคนเนาะอย่างนั้นก็ มีเวลาสั้นๆก็ให้พวกเราได้ตั้งอกตั้งใจกันเนาะอย่างนั้นครับก็อนุมโมทนากับทุกๆคนแล้วก็จบ <c oughs> การพูดสั้นๆไว้ตัวนี้ับก็กราบพร่อมกั น, น, นอาจารย์เนาะ